คู่ควรที่จะออกจากวัตฏะได้ไหมก็มาสอบถามดูกุศลธรรมทั้งหลายเหล่านี้การศึกษาพระธรรมทั้งหลายวัตถุประสงค์ทั้งหมดของการฟังการเรียนรู้ก็เพื่อที่จะได้เจริญโพธิปัจจะธรรมกุศลธรรมที่อยู่ในฝักฝ่ายแห่งการตรัสรู้ถ้าหาว่ากุศลธรรมเหล่านี้ไม่มีหรือมีไม่เพียงพอก็ยังไม่คู่ควรที่จะพ้นทุกข์ได้อีกสูตรนะทวีธาปะทะสูตรเรียกว่าไปคนละทางเลยนะ สู่ที่ไปคนละทางข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จดําเนินทางไกลไปในโกศลชนบทมีท่านพระนาคาสมาละเป็นปัจฉาสมณนะพระนาคาสมาละเนี่ยนะปกติแล้วท่านเป็นพระที่ได้อภิญญานะมีฤทธิ์ด้วยมีอยู่ในต้นบัญญัติเรื่องการดื่มสุราเนี่ยมีหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งก็มีพญานาคมารบกวนบ่อยมาก พนาคาสมาลมก็ไปปราบนาคชนะหลังจากที่ปราบนาคชนะเนี่ยนะชาวบ้านก็อยากจะให้รางวัลท่าน น, นะก็เลยไปถามพระฉับพคีว่าสมควรจะถวายอะไรท่านดีว่างั้นในเมื่อท่านเนี่ยมีอุปการะคุณต่อหมู่บ้านมากท่านต่อสู้พญานาคชนะพระฉับพคีก็เลยบอกวโอ้ยต้องเล่าแดงๆสิ น, นะตั้งไว้ทุกหน้าเรือนทุกหน้าลังคาเรือนให้หมดเลยพนาคา่ะแล้วก็ พนาคาสมาระเดินมาบินทบาติก็เลยถวายเลยคนละแก้วคนละแก้วคนละจอกคนละจอกเนี่ยนะนะพนาคาสมาระเช้าไปบินธบาติโอ้ยดื่มแต่เหล้าแดงเนี่ยนะนะดื่มไปเรื่อยๆดื่มจนเมาจนพระพิสูจน์แทบจพะพยุงไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เดินไปแล้วก็นอนกลิ้งเกลือกฝุ่นอยู่นะนะเพราะว่าแหมคนละจอกคนละแก้วเนี่ยนะนะทั้งทั้งหมู่บ้านนี่จะขนาดไหนคิดดูเสร็จแล้วก็ พระพุทธเจ้าก็ให้ให้จับหัวพระนาคาสมาละนิหันมาทางพระพุทธเจ้าพระนาคาสมาระก็ดิ้นเอาเท้าไปทางพระพุทธเจ้าปกติเคารพพระพุทธเจ้ามากทีนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยธนาค่าสมาระสู้พญานาคชนะใช่ไหมเนี่ยถ้าเมาขนาดนี้สู้งูกินเขียดได้ไหมนะสู้งูกินปลาได้ไหมบอกสู้ไม่ได้พระองค์ก็เลยตําเนธโทษแห่งสุราเนี่ยนะพระองค์ก็บอกว่าถ้าพิสุใด้ดื่มสุราเป็นอบัติปัจจิตีเนี่ยนะพรองก็เลยปรับเปนอบัติทันอันตร พระรูปนี้ท่านปกติท่านมีฤทธิ์มากตอนท้ายท่านก็เป็นพระอรหันต์นะเป็นพระอรหันต์ที่บรรลุอะไรนะบรรลุที่หนทางด้วยนะเห็นนางรำแล้วบรรลุอะ่ะคือพระานาคาสมมาละเนี่ยเห็นเข้ารรำแล้วบรรลุได้อะ่ะตอนนั้นท่านพระานาคาสมมาละก็เป็นอุปถัก์พระพุทธเจ้าแสดงว่าตอนอุปถัก์ครั้งนี้ยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์อะไรท่านพระานาคาสมมาละ พอเดินทางไปกับพระพุทธเจ้าได้เห็นทางสองแพร่งในระหว่างทางครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญนี้ทางไปตามทางนี้เถิดพระเจ้าข้าเมื่อท่านพระนาคาสมาระกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตรัสกับท่านพระนาคาสมาคมว่าดูก่อนนะาคสมาคมนี้ทางไปตามทางนี้เถิดซ้ายหรือขวาดีเนี่ยนะถึงทางสามแยกใช่ไหม พระนาคาสมาลมก็สนใจแต่ทางลัดทางตรงทางง่ายนี่แหละบอกก็ชีท้ท่าว่าชี้ทางบอกไปตามทางนี้เถอดพระเจ้าค้าพระองค์ก็บอกจะไปทางนี้นะก็ซ้ายกับขวาเนี่ยอยู่สามครั้งครั้งที่สท่านพระนาคาสมาลมก็กราบทูลอีกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้ทางไปตามทางนี้เถอดพระเจ้าค่าแม้ครั้งที่สาม พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสกับท่านท่านนาคาสมาละว่าดูก่อนนาคาสมาละนี้ทางไปตามทางนี้เถิดนี่ขนาดอยู่กับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระองค์บอกตั้งสมรอบก็ไม่ไม่อยคิดว่าเชื่อนะไม่เชื่อลำดับนั้นท่านท่า น, นาคาสมาละก็วางบาทและจีวรของพระผู้มีพระภาคเจ้าไว้ที่แผ่นดินณ ห, หนทางนั่นเองกราบทูลว่ า, าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญนี้บาทและจีวรดังนี้แล้วก็หลีกไป เก่งมากเลยนะถวายบาทถวายจีวลเลยนะแยกทางกันก็ได้พระเจ้าข้าของนั้นนีก็อันเนี้ยเป็นเหตุอันหนึ่งที่พระองค์ปารภหลังจากที่พรรษา20ไปแล้วเนี่ยพระองค์ก็ปารภเหตุอันนี้ด้วยเหตุอันหนึ่งที่พระนนิมาเข้าเป็นอุปถัาบประจำนะมันช่วง20พรรษาแรกอุปถากไม่ประจำนะมันอุปถาบแต่ละท่านโดยมากก็อย่างพระเมคิยาเนี่ยสูตรก่อนเนี่ยนะเมคิยาสตรพระเมคิยะก็ว่ายากนะ ปองห้ามสามครั้งก็ไม่เชื่อก็ป้ายอกุศลวิตตกอันนี้ดูที่ถ้าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าอะไรเกิดขึ้นเมื่อท่านพนาฆาสมาละเดินไปโดยทางนั้นพวกโจรในระหว่างทางก็ออกมาแล้วทุบด้วยมือบ้างนะเตะด้วยเท้าบ้างแล้ทุบบาดและฉีกผ้าสังคาติเสียครั้งนั้นท่านพนาฆาสมาละมีบาดแตกมีผ้าสังคาติขาดเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วก็นั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้กลาบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวรกาสเมื่อข้าพระองค์เดินไปโดยทางนั้นพวกโจรในระหว่างทางก็ออกมาแล้วทุบด้วยมือและเตะด้วยเท้าได้ทุบบาดและฉีกผ้าสังคาติเสียแล้วพระเจ้าค่ะลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนี้แล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่า บุคคลผู้ถึงเวทผู้รู้เที่ยวไปด้วยกันอยู่ด้วยกันปะปนกับชนผู้ไม่รู้ย่อมละเวทบุคคลผู้ลามกเสียได้เหมือนนกกเรียนเมื่อบุคคลเอาน้ำนมปนน้ำเข้าไปให้ดื่มเอาแต่น้ำนมเท่านั้นละเวทน้ำฉะนั้นนะไปด้วยกันเนี่ยนะไปถึงทางแยกที่ผ่านกับบัณฑิตคิดไม่เหมือนกันผู้รู้กับผู้ไม่รู้คิดไม่เหมือนกันเพราฉะนั้น บัณฑิตทั้งหลายก็เหมือนกับนกกระเรียนที่สามารถเลือกรับเอาแต่ประโยชน์อย่างเดียวนกกระเรียนนี่สามารถน้ํากับน้ํานมผสมกันเนี่ยดื่มเอาแต่นมดูดเอาแต่นมก็เหลือน้ําเอาไว้ตามเดิมฉันใดผู้ที่มีปัญญาก็เหมือนกันเนี่ยนะเขาก็ไม่ใช่ว่าจะร่วมไปทุกเรื่องเนี่ยนะไปถูกทุบ ถ, ถ, ถูกตีเพราะความรักกันมากใช่ไหมไปทุกไปยากด้วยกันไม่ก็ก็แยกกันไปในอัถกถาอธิบายว่า ท่านพนาคาสมาระเพราะเหตุที่ตนคุ้นเคยกับทางนั้นมาก่อนและก็เพราะทางนั้นเป็นทางตรงก็เลยกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้ทางในครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทราบว่าทางนั้นอันตรายพระองค์ก็มีพระประสงค์จะไปทางอื่นจากทางนั้นพระองค์ก็ตรัสว่านาคาสมาละนี้ทางและเมื่อพระองค์ตรัสว่าทางนี้มีอันตรายจึงไม่เชื่อและกราบทูลว่า ถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญทางนั้นไม่มีอันตรายการที่ท่านพระนาฆาสมาละไม่เชื่อแล้วทูลอย่างนั้นจะพึงเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เพื่อทุกตลอดกาลนานนั้นพระองค์ก็ไม่บอกว่าทางนั้นมันอันตรายพระองค์ไม่พูดพระองค์บอกว่านี้ทางนี้ทางนี้ทางสามครั้งนะไม่บอกว่าทางที่เธอจะไปอันตรายเพราะถ้าบอกแล้วก็บอกไม่มีพระเจ้าข้าเถียงพระพุทธเจ้าปฏิเสธพุทธพจน์ก็เดือดร้อนแม้แต่ขนาดอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าก็ระวัง ระวังไม่ให้เขาปฏิเสธพระพุทธเจ้าง่ายๆเรียก ว, ว่าขอบเขตแห่งการปฏิเสธอย่าปฏิเสธที่ทเรียกว่าปฏิเสธถึงขนาดไม่เชื่อถ้าปฏิเสธ ร, ระดับไม่เชื่อแล้วค้านหัวชนฝ้าด้วยก็ยิ่งเสียหายรุนแรงมากแต่ถ้าแบบอ ะ, อะไรนะนี้ทางนี้ทางเเธอเลือกเลือกจะไปทางนั้นก็ไปเธอแต่ถ้าปฏิเสธว่าทางที่พระองค์ห้ามเนี่ยมีอันตรายถ้าบอกว่าไม่มีอันตรายไปค้านกับพระพุทธเจ้าขึ้นก็เสียหายเนี่ยนะ อย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ฉลาดในทางทางไหนบ้างนะนีปกติก็คือทางบนโลกนี่เรียกว่าทางแข่งทางเกวียนทางรถทางเรือเป็นต้นพระองค์ยังรู้ทางไปนรกทางไปเปรตทางไปอสุรกายทางไปนะนะเป็นมนุษย์เป็นเทวดาทางไปสู่พรหมโลกขณะเดียวกันพระองค์ยังรู้ทางแห่งพระนิพพานเนี่ยนะพระองค์ก็บอกกล่าวแนะนําทั้งหมดว่าทางไหนควรทางไหนควรดําเนินทางไหนไปแล้วถึงความสุขสวัสดี ครั้งที่สี่เนี่ยนะท่านพนาคาสมาละคิดว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ปรารถนาจะเสด็จไปทางนี้และทางนี้แหละเป็นทางตรงเอาเถอะเราจะถวายคืนบาดและจีบอแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเดินไปทางนี้เมื่อไม่อาจจะมอบบาทและจีวอก็เลยวางในพระหัตถ์ของพระศาสดาจึงวางไว้ที่พื้นคือถวายคืนนี่ไม่กล้าวางไว้ก็ได้ ก็บอกว่าอันกรรมของตนซึ่งเป็นทางแห่งทุกขปรากฏขึ้นตักเตือนอยู่จริงๆเนี่ยเพราะกรรมเก่าของตัวเองนั่นแหละเป็นปัจจัยนะกรรมกระตุ้นเตือนเพราะฉะนั้นไอ้กรรมที่ที่เคยทําเหตุแห่งความทุกข์เอาไว้เนี่ยนะตักเตือนมากก็มิเอือ้อม่ได้เอื้อเฟือในพระดํารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยเขาบอกว่าคนที่กรรมจะให้ผลใครจะห้ามปานใดก็ไม่เชื่อ ถ, ถ้าบาปมันจะให้ผลเนี่ยนะถึงจะห้ามขนาดไหนก็ไม่ฟัง ไปเรว่ารนไปจนได้ที่วางั้นบางก็เลยวางบาทและจีวรของพระพุทธเจ้าไว้ที่พื้นดินอธิบายว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้านี้บาทและจีวรของพระองค์ถ้าพระองค์ปรารถนาก็จงรับไปเถอะถ้าพระองค์ประสงค์จะไปเฉพาะทางที่พระองค์ปรารถนาก็เรียกว่าทางใครก็ทางใครนะทางใครก็อุ้มบาดอ่นะอุ้มบาดเอาจีวรตัวเองไปก็แล้วกัน ฝ่ายพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงถือบาทและจีวรของพระองค์ไปด้วยพระองค์เองดำเนินไปสู่ทางตามที่พระองค์ประสงค์ทีนี้ครั้งนั้นก็มีพวกบุรุษห้าคนเป็นนักเลงมีฝีมือเปื้อนเลือดผิดต่อพระราชาเข้าไปสู่ป่าเลี้ยงชีพด้วยโจรกรรมคิดว่าพวกเราจับจัตัดทางเจริญของพระราชาโดยความเป็นค่าศึกต่อกันอย่างนี้ก็ซุ่มอยู่ที่ในป่าใกล้หนทาง บุรุษเหล่านั้นเห็นพระเถระกำลังเดินทางไปจึงคิดว่าสมณะนี้มาทางนี้ใช้หนทางที่ไม่สมควรจะใช้ไม่รู้ว่าเป็นของเราเอาเถอะพวกเราจะให้ท่านรู้ดังนี้ก็โกรธรีบออกจากพงป่าตบเตะพระเถระให้ล้มลงที่พื้นดินโดยเร็วแล้วก็ทุบบาดดินของท่านฉีกจีวรให้เป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่เพราะเห็นว่าเป็นบนรณชิตจึงปล่อยด้วยสั่งว่าพวกเราจะยังไม่ฆ่าท่าน ตั้งแต่นี้ต่อไปท่านจงรู้ว่าหนทางนี้มีอันตรายฝ่ายพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงทราบว่าพระนาคาสมาระนี้ไปทางนั้นถูกโจรเบียดเบียนจะแสวงหาเราจากมาในบัดเดียวนี้แลหลดังนี้พระองค์ก็เสด็จไปหน่อยหนึ่งแวะลงจากทางประทับนั่งอยู่ที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งฝ่ายท่านท่านนาคาสมาละแลย้อนกลับมายึดเอาทางที่พระาศาสดาเสด็จไปนั่นแล กำลังเดินไปพราพระผู้มีพระภาคเจ้าที่โคนต้นไม้นั้นจึงเข้าไปเฝ้าแล้วก็กราบทูลถวายบังคมกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระศาสดาพระองค์ก็ทราบเนื้อความนั้นที่พระนาคาสมาละไม่เอื้อเฟื้อต่อคําของพระองค์แล้วก็เดินไปยังทางที่ไม่ปลอดภัยพระองค์ก็ทราบว่าทางดําเนินไปยังทางที่ปลอดภัยนี้คือพระองค์แยกทางออกนะว่าทางไหนเป็นทางที่มีภัยกับทางที่กเกษม กเกษมก็คือปลอดภัยว่าทางไหนกเกษมทางไหนมีภัยองค์ก็ได้ตรัสคาถาเหล่านี้บทว่ามิสโสัญญะช น, นะเวทคูชื่อว่าถึงเวทชนผู้ถึงเวทคือเพราะถึงคือบรรลุด้วยอริยมรรคยานคือสัจจะสี่กล่าวคือเวทหรือว่ามรรคยานสี่ที่ตรัสรู้อริยสัจสี่ท่านมรรคยานนี้จึงชื่อว่าเวทคูผู้ถึงฝั่งแห่งเวท หรือผูดถึงเวทก็คือผู้มีอริยมรรคยานสี่ตรัสรู้อริยสัจสี่นั่นแหละที่เรียกว่าเวทะหรือเวทตัวนี้หมายถึงอันบุคคลพึงรู้เพราะละ เ, เพราะถึงฝั่งแห่งเวทคือญาญธรรมทั้งสิน้นก็คือรู้อริยสัจแต่ยิ่งเฉพาะพระพุทธเจ้าแล้วสิ่งที่ควรรู้มีประมาณเท่าใดพระองค์ก็รู้สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดประมาณเท่านั้นชื่อว่าผู้ไม่รู้เพราะไม่รู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ของตน อธิบายว่าผู้ไม่รู้คือคนเขา่าก็คนที่ไม่รู้อย่างพระนาคาสมาละใช่ไหมไม่รู้อะไรเป็นทางเสือเส่อมอะไรเป็นทางเจริญก็ปฏิเสธดิ้นรนไปตามอานาจกิเลสของตนทีนี้ระหว่างคนรู้กับคนไม่รู้ต่างกันตรงไห น, นเวลาที่ไปด้วยกันก็บอกว่าชนผู้รู้เนี่ยนะถึงไปปะปนกับคนไม่รู้ด้วยเหตุเพียงเที่ยวไปด้วยกันส่วนผู้รู้ล่ะ ผู้รู้คือทราบโดยภาวะที่ถึงเวตนั้นย่อมละสิ่งชั่วคือสิ่งไม่เจริญได้แก่สิ่งที่นำทุกข์มาให้หรือละคนชั่วคือคนไม่ดีงามเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนนกกระเรียนดื่มแต่น้ํานมเว้นจากน้ําอธิบายว่านกกระเรียนนั้นเมื่อเขานําน้ํานมที่เจือด้วยน้ําเข้าไปเชื่อว่าดื่มแต่น้ํานมเพราะเว้นน้ําดื่มแต่น้ํานมเท่านั้นคือละเว้นน้ํากล่าวคือแม่น้ําอันไหลไปสู่ที่ลุ่มฉันใด ได้ยินว่าบัณฑิตก็ฉะนั้นแม้อยู่ร่วมกับคนสามปัญญาในอิริยาบถมียืนเดินนั่งเป็นต้นก็ละบุคคลผู้สามปัญญานั้นโดยเอื้อเฟื้อคือแม้ในการบางคราวก็ไม่ยอมป